พระตรยปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบห้าคุตกนิกายหัวข้อที่ห้าสุตตานิบาตชุมนุมพระสูตรสุตตานิบาตหรือชุมนุมพระสูตรนี้มีพระสูตรทั้งสิ้นเจ็ดสิบสูตรล้วนเป็นคํำฉันทั้งสิ้นบางแห่งแม้จะมีร้อยแก้วปนแต่สาระผูกเป็นคํำฉันแบ่งออกเป็นห้าวร์คือวครคแรกชื่ออุราค a h วร์ว่าด้วยอุร a k a สูตร เป็นหัวหน้ามีสิบสองสูตรวัคที่สองชื่อจุลวักแปลว่าวักเล็กมีสิบสี่สูตรวัคที่สามชื่อมหาวัคแปลว่าวักใหญ่มีสิบสองสูตรวัคที่สี่ชื่ออัตกะวักว่าด้วยพระสูตรที่มีคําว่าอัตกะตามหลังอัตกะแปลว่าผู้ไม่ตั้งอยู่ถือเอาความว่าไม่ติดหรืออาจแปลได้ว่า เนื้อความหรือใจความอัตกะวักนี้มี16สูตรวักที่ห้าชื่อปารายนวักว่าด้วยที่มุ่งหมายอันสูงมี16สูตรพระสูตรที่หนึ่งอุราค่สูตรสูตรเปรียบเทียบด้วยงูพันนาถึงการที่พิกษุละความชั่วต่างๆเช่นความโกรธราคะตัณหามานะ เป็นต้นภิกษุนั้นย่อมละฝั่งนี้ฝั่งโน้นได้เหมือนงูลอกคราบเก่าทิ้งเสียฉนั้นพระสูตรที่สองธนิยะสูตรสูตรว่าด้วยธนิยะผู้เลี้ยงโคแสดงคำโต้อ ต, อตอบของธนิยะผู้เลี้ยงโคพูดเชื้อเชิญให้ฝนตกเพราะได้ทำหน้าที่ของตนเสร็จแล้วเช่นมุงหลังคา นำเชื้อไฟมาเตรียมไว้แล้วฝนจะตกก็ตกเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราเป็นผู้ไม่โกรธปราศจากตอในวงเล็บของจิตมีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วไฟคือกิเลสก็ดับแล้วฝนจะตกก็ตกเถิดอันเป็นคำโต้ตอบแสดงความเตรียมพร้อมทางโลกกับความเตรียมพร้อมทางธรรม พระสูตรที่สามคัคควิสานสูตรสูตรเปรียบเทียบด้วยนอแรดเป็นพระสูตรที่พันนาการประพฤติปรมจั์ซึ่งแนะให้อยู่แต่ผู้เดียวเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดเช่นที่กล่าวว่าวางอาชญาในสัตว์ทั้งปวงแล้วไม่เบียดเบียนใครๆเลยไม่ปรารถนาบุตรก็จะปรารถนาสหายแต่ที่ไหน ควรเป็นผู้เดียวเที่ยวไปเหมือนนอแรดฉะนั้นสำหรับข้อนี้แรดพันอินเดียมีนอหรือเขาเดียวแต่พันของประเทศอื่นมีนอคู่บ้างนอเดียวบ้างพระสูตรที่สกสิภารทวาชสูตรว่าด้วยภารทวาชพรามผู้ไถนา พราหมณ์ทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระเจ้าไถหวานแล้วจึงบริโภคท่านจงไถหวานบ้างสิพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพระองค์ก็ไถละวานเหมือนกันเมื่อพราหมณ์ถามถึงไถจึงตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นพืชความเพียรเป็นฝนปัญญาเป็นแอกและไถความละอายใจเป็นงอนไถใจเป็นสายเชือก สติเป็นผานหมายถึงใบไถสสำหรับไถนาเป็นต้นพระสูตรที่ห้าจุนทะสูตรว่าด้วยนายจุนทะกมารบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบคำถามของนายจุนทะกมารบุตรเรื่องสมณะมีสี่ประเภทคือหนึ่งมักคชินะผู้ชนะกิเลส ด, ด้วยมักมัค หมายถึงหนทางหรือข้อปฏิบัติที่ให้บรรลุถึงความดับทุกข์ 2. มักคะเทศกะผู้แสดงมัคสมัคคะชีวีผู้ดำรงชีพอยู่ในมัคคือผู้กำลังปฏิบัติสมักคะทูสีผู้ประทุสร้ายมัคคือผู้ประพฤติชั่วเท่ากับเป็นผู้ทำลายแห่งความเจริญของตน พระสูตรที่หป ร, ราภาวสูตรว่าด้วยความเสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงปากทางแห่งความเสื่อมไว้หลายข้อด้วยกันดังจะยกมาเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้รักสัตบุรุษคือคนชั่วไม่รักสัตบุรุษคือคนดีชอบใจธรรมะของสอัตบุรุษนั่นเป็นปากทางแห่งความเสื่อมมักหลับมักเข้ากลุ่มสนทนา ไม่มันเกียดคร้านโกรธง่ายนั่นเป็นปากทางแห่งความเสื่อมมัง่งคั่งแต่ไม่เลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่เท่าล่วงวัยนั่นเป็นปากทางแห่งความเสื่อมหญิงเพราะชาติหญิงเพราะทรัพย์ญิงเพราะโคดดูหมิ่นญาติของตนนั่นเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนัน ทรทรัพย์ที่ได้มาแล้วให้พินาศนั่นเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเป็นต้นพระสูตรที่เจ็าวัสละสูตรว่าด้วยคนเลวหรือคนถอยพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงธรรมแก่ภาระทวาชะพรามผู้บูชาไฟถึงเรื่องคนเลวและธรรมะที่ทำคนให้เลว รวมหลายหัวข้อด้วยกันดังตัวอย่างต่อไปนี้คนใดมักโกรธผูโกรธเป็นคนชั่วที่ลบหลู่บุญคุณท่านมีความคิดเห็นวิบัติมีมายาพึงรู้คนนั้นว่าเป็นคนเลวคนใดเบียดเบียนผู้เกิดครั้งเดียวหรือเกิดสองครั้งผู้เกิดสองครั้งคือออกมาเป็นไข่แล้วจึงออกจากไข่เป็นตัวอีกต่อหนึ่ง คนใดเบียดเบียนผู้เกิดครั้งเดียวหรือเกิดสองครั้งไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตพึงรู้คนนั้นว่าเป็นคนเลวผู้ใดยกตัวเองคมผู้อื่นเป็นคนเลวเพราะความถือตัวนั้นพึงรู้คนนั้นว่าเป็นคนเลวในที่สุดได้ตรัสสรุปหลักการทางพระพุทธศาสนาว่าบุคคลไม่ใช่เป็นคนเลวเพราะชาต ไม่ใช่เป็นคนดีหรือพรามเพราะชาติแต่เป็นคนเลวเพราะการกระทำเป็นคนดีเพราะการกระทำพระสูตที่8ปดเมตสูตรว่าด้วยการแผ่เมตตาเนื้อหาพร้อมกับที่กล่าวไว้แล้วในขุททกะปาถะเป็นการแสดงวิธีแผ่เมตตาจิตไปในสัตว์ทุกชนิดอย่างกว้างขวาง พระสูตรที่เก้าเหมะวะตสูตรว่าด้วยการโต้ตอบระหว่างสาตาคิรายักษ์กับเหมะวะตยักษ์รวมทั้งพระพุทธภาษิตในตอนท้ายเหมะวะตยักษ์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าโลกเกิดขึ้นในอะไรทําความพอใจในอะไรโลกอาศัยอะไรและเดือดร้อนในอะไรตรัสตอบว่า โลกเกิดขึ้นในสิ่งหกสิ่งทำความพอใจในสิ่งหกสิ่งอาศัยสิ่งหกสิ่งสิ่งเดือดร้อนในสิ่งหกสิ่งคือในการมาคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลธพะที่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจมีใจเป็นที่หกทั้งนี้ตามพระพุทธภาษิตตอนต่อไปและได้ตรัสว่าคลายความพอใจในสิ่งเหล่านี้ได้ ก็จะพ้นจากทุกเป็นต้นพระสูตรที่สิบอาละวะาวกกสูตรว่าด้วยอาลาวกกายักษ์แสดงการตรัสตอบของพระผู้มีพระภาคในเมื่ออาลาวกกายักษ์ทูลถามแบบคมขูดคำถามคำตอบมีดังนี้อะไรเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจในโลกนี้ของบุรุษตรัสตอบว่าศรัทธา อะไรประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ตรัสตอบว่าธรรมะอะไรมีรสดียิ่งกว่ารสทั้งหลายตรัสตอบว่าสัจจะปราดกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่เช่นไรว่าเป็นชีวิตอันประเสริฐตรัสตอบว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาจะข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะได้แก่ห้วงน้าคือกิเลส มีสี่อย่างคือกามพบทิฏฐิและอวิชชาตรัสตอบว่าจะข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาถามว่าจะข้ามอนบได้อย่างไรอนันบได้แก่ห้วงน้ำหรือมหาสมุทรคือความเวียนว่ายตายเกิดตรัสตอบว่าข้ามได้ด้วยความไม่ประมาทจะก้าวล่วงทุกข์ได้อย่างไร ตรัสตอบว่าด้วยความเพียรจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรตรัสตอบว่าด้วยปัญญาจะบรรลุเกียรติได้อย่างไรตรัสตอบว่าด้วยสัจจะจะผูกมิตรไว้ได้อย่างไรตรัสตอบว่าผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้ละโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจะไม่เศร้าโศกได้อย่างไรตรัสตอบว่า มีธรรมะผู้ครองเรือนสี่อย่างคือสัจจธรรมะในที่นี้หมายถึงธรรมะการฝึกตนหรือความข่มใจมีทิฏฐิคือความอดทนและจาคะคือการสลักเมื่อละโลกนี้ไปแล้วยอมไม่เศร้าโศกอาลวากายักษ์ก็ได้ดวงตาเห็นธรมรมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พระสูตรที่สิเอ็ดวิทยสูตรว่าด้วยชัยชนะพ น, นาถึงความน่าเกลียดของร่างกายส่วนต่างๆซึ่งไม่ควรติดไม่ควรยึดถือพระสูตรที่ส2บสองมุนีสูตรว่าด้วยมุนีคือผู้รู้มีคำพร น, นาลักษณะต่างๆของมุนีไว้เป็นอันมากเช่น บันดิตทั้งหลายย่อมประกาศบุคคลผู้ครอบงามสิ่งทั้งปวงรู้จักสิ่งทั้งปวงมีปัญญาดีไม่ติดในธรรมะทั้งปวงละสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาว่าเป็นมุนีดังนี้เป็นต้นพระสูตรที่สิบสามรัตนสูตรว่าด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเปรียบดุลรัตนะ เป็นคำพัร น, นาคุณพระรัตนไตรทำนองเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในกุตกะปาทะพระสูตรที่สิบสอมะมคันทสูตรว่าด้วยกลิ่นคาวเป็นสูตรที่พรร น, นาถึงความชั่วทางกายวาจาใจว่าเป็นกลิ่นขาวไม่ใช่ปลาหรือของกินอื่นๆแล้วพันนาถึงการประกอบคุณงามความดีว่า ทำให้ปราศจากกลิ่นคาวพระสูตรที่1ิหิริสูตรว่าด้วยความละอายใจในการทำความชั่วแสดงถึงการประกอบคุณความดีและคุณธรรมของมิตรลงสุดท้ายให้ดื่มรสของความสงัดและรสของความสงบผู้ดื่มรสอันเกิดแต่ปิติในธรรมะย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายไม่มีบาป พระสูตรที่สิบหกมงค์ ล, ลสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นมงคลได้กล่าวไว้แล้วในขุตกะปาถักพระสูตรที่สิบเจ็ดสุจิโลมสูตรว่าด้วยสุจิโลมยักษแสดงการตรัสตอบปัญหาว่าราคะโทสะความไม่ยินดีความยินดีความกลัวในวงเล็บขนพองความตรึก ล้วนเกิดจากอัตภาพคือร่างกายจิตใจนี้ทั้งสิ้นผู้ใดรู้และบรรเทาได้ผู้นั้นย่อมข้ามโอคะได้พระสูทที่18ปธรรมจริยสูตรว่าด้วยการประพฤติ ธ, ธรรมแสดงว่าแม้การประพฤติธรรมและประพฤติรมจรันรจะเป็นแก้วอันประเสริฐแต่ผู้ที่บวชแล้ว ถ้าประพฤติไม่ดีชีวิตของผู้นั้นก็เลวสามเพิ่มมนทินให้แก่ตนต่อเมื่อละความชั่วต่างๆจึงทมที่สุดแห่งทุกข์ได้พระสูตรที่19บราปรามณธรรมิกสูตรว่าด้วยธรรมะของกรามพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงธรรมแก่พระมหาศาลหลายคน ชี้แจงธรรมะของพรามตามคติพระพุทธศาสนาซึ่งสอนไม่ให้เบียดเบียนเป็นคำสอนตรงกันข้ามกับคติของพรามที่มีการฆ่าสัตว์บูชายันนอกจากนั้นยังแสดงถึงธรรมะอื่นๆพรามก็เลื่อมใสปฏิญญาตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสระณะตลอดชีวิตพระสูตรที่ยี่สิบ นาวาสูตรว่าด้วยเรือเป็นคําสอนถึงการประพฤติ ธ, ธรรมว่าเปรียบเหมือนมีเรือข้ามน้ําได้พระสูตรที่ยี่สิบเอ็ดคือศีลสูตรว่าด้วยประพฤติอย่างไรจึงจะบรรลุประโยชน์อันสูงสุดตรัสสอนให้ตั้งอยู่ในธรรมะพระสูตรที่ยี่สิสองอุทานาสูตรว่าด้วยความมัน เป็นคำสอนปลุกใจให้ลุกขึ้นอย่ามัวหลับไหลอยู่ให้ศึกษาเพื่อสันติอย่าปล่อยให้การเวลาล่วงไปเปล่าพระสูตรที่23ราหุลสูตรว่าด้วยพระราหุลพระผู้มีพระภาคตรัสสอนพระราหุลหนึ่งเนืองด้วยพระพุทธโอวาสใจความว่าให้ละกรรมคุณห้าคบกัลยานมิตร เสพเสนาสนะอันสงัดรู้ประมาณในอาหารอย่าทำความทะยานอยากในปัจใจสี่สำรวมในปาติโมกคือศีลที่เป็นประธานสำรวมในอินรีห้ามีตาเป็นต้นเจริญกายคตาสติมากด้วยความนายในโลกิยะเจริญนิมิตว่าไม่งามและเจริญความไม่มีนิมิต ถอนกิเลสที่แฝงด้วยตัวคือมานะพระสูตรที่24วังคีสัตสูตรว่าด้วยพระวังคีสะพระวังคีสะกราบทูลถามถึงพระอุปัชฌายะของตนพระผูมิพระภาคตรัสตอบว่าอุปัชฌายะของเธอดับตัณหาได้แล้วบบรฤณิพานแล้ว พระสูตรที่25สัมำมารปริพาชนิยสูตรว่าด้วยการเที่ยวไปด้วยดีพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงว่าผู้เช่นไรชื่อว่าเที่ยวไปด้วยดีหรือมีหลักธรรมของปริพาชกอย่างแท้จริงโดยใจความคือกิเลสต่างๆไม่ติดอยู่ในโลกิยะธรรมพระสูตรที่26ธสิมิกาสูตร ว่าด้วยธรรมิกะอุบาสกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบคำถามของธรรมิกะอุบาสกถึงคุณสมบัติของพระสาวกที่ดีโดยใจความคือไม่ละเมิดพระวินัยฟังธรรมและพิจารณาสองเสพธรรมะด้วยดีและได้แสดงถึงคุณสมบัติของสาวกที่เป็นข้ารือหัสเช่นให้รักษาอุโบสถเว้นทุจริตเลี้ยงมารดาบิดา ประกอบการค้าอันถูกต้องตามธรรมพระสูตรที่27ปรับปัพัชชาสูตรว่าด้วยการบวชตรัสเล่าเรื่องการเสด็จออกผนวดของพระองค์จนกระทั่งเสด็จผ่านกรุงราชครืพระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรเห็นทรงทรงทูตตามไปทราบที่พักแล้วเสด็จด้วยพระองค์เองไปถึงที่ประทับ นปันทวบันพธ์ทูลถามถึงพระชาติพระผู้มีพระภาคตรัสตอบซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้พระสูตรที่ยี่สิปดปทานสูตรว่าด้วยการตั้งความเพียรพระผู้มีพระภาคเมื่อ ย, อยังไม่ได้ตรัสรู้ขณะทรงบำเพ็ญเพียรใกล้แม่น้ำเนรัญชรา ทรงตอบมานชื่อนามุจิซึ่งมาพูดกล่อมพระไทยให้เลิกความเพียนทรงชี้ว่ากามความริษยาความหิวกระหายความทยานอยากความหดหู่ง่วงงุนความหวาดกลัวความสงสัยความลบหลู่บุญคุณท่านความตีเสมอเป็นเสนามา ن ที่หนึ่งถึงที่แปดตามลำดับ นอกจากนั้นยังสรงแสดงเสนามานต่อไปอีกคือลาบชื่อเสียงสักการะยศที่ได้มาโดยผิดธรรมการยกตัวเองการดูหมิ่นผู้อื่นแล้วตรัสว่าในการทําสงครามหมายถึงทํากับพญามานนั้นพระองค์ยอมตายดีกว่าที่จะเป็นผู้แพ้แล้วมีชีวิตอยู่พญามานเสียใจที่ไม่สามารถเอาชนะพระองค์ได้ สึ้หายไปในที่นั้นพระสูตรที่29สุภาษิตตัดสูตรว่าด้วยคำสุภาษิตรพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงองค์สี่ของวาจาสุภาษิตที่ไม่มีโทษที่วินยูชนไม่ติเตียนคือหนึ่งพูดเป็นสุภาษิต 2. พูดเป็นธรรมสาม พูดเป็นที่รักสพูดจริงไม่พล่อยแล้วพระวังคีสะกราบทูลขยายความเป็นคำฉันพระสูตรที่ส0สิสุนทริกกสูตรว่าด้วยสุนทริกะภารัวาชะพ ร, รามพรามภารัวาชะโคดชื่อสุนทริกะเห็นพระผู้มีพระภาคก็ถามว่าท่านชาติอะไรในวันณสี พระองค์ตรัสตอบว่าอย่าถามถึงชาติเลยจงถามถึงความประพฤติดีกว่าแล้วทรงแสดงคุณสมบัติของมุนีที่แม้เกิดในสกุลต่ำแต่ประพฤติดีทำลายกิเลสก็นับเป็นอาชาในได้พรามเลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสก พ, พระสูตรที่ส1มาคะเอดมาสูตรว่าด้วยมาคะมานพ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบคำถามของมาะมานพเรื่องผู้ประสงค์บุญควรบูชายันอย่างไรโดยทรงแสดงว่าควรบูชาท่านผู้มีคุณสมบัติที่ดีงามละกิเลสได้มานพ ก, ก็เลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสกพระสูตรที่32มสิพยสูตรว่าด้วยสพยาบริภพาชก สพยปริพาชกไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเรื่องคุณสมบัติของภิกษุพระผู้มีพระภาคตรัสตอบบริพาชกขอบรรพชาอุปสมบทและได้สำเร็จอรหัตผลพระสูตรที่สาสิสาเสละสูตรว่าด้วยเสละพรามเนื้อความอย่างเดียวกับเสละสูตรที่ย่อไว้แล้ว พระสูตรที่ส4สัลละสูตรว่าด้วยลูกศรคือความโศกส่วนใหญ่พันนาถึงชีวิตที่ใกล้ต่อความตายเข้าไปทุกขณะเมื่อบุคคลถอนลูกศรได้ก็จะไม่เศร้าโศกได้นิพพานพระสูตรที่ส5สิบหาวาเสตสูตรว่าด้วยเศรษฐมานกมีข้อความอย่างเดียวกับที่ย่อไว้แล้ว พระสูตรที่36โกกาลิกสูตรว่าด้วยพระโกกาลิกะมีความพ้องกับที่ย่อไว้แล้วพระสูตรที่37นาลกกสูตรว่าด้วยพระนาลกะพระนาลกะผู้เป็นน้องชายของอสิตดาบดถามปัญหาเรื่องโมเนยะปฏิบัติคือการปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนี พระผู้มีพระภาคตรัสตอบแสดงคุณสมบัติของมุนีพระสูตรที่38ทวายตานุปัสนาสูตรว่าด้วยการพิจารณาธรรมะที่เป็นคู่คือพิจารณาทุกพร้อมด้วยเหตุให้ทุกเกิดพิจารณาความดับทุกพร้อมทั้งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเมื่อพิจารณาเป็นคู่อย่างนี้ อย่างไม่ประมาทมีความเพียรก็จะได้บรรลุอรหัตตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีกิเลสเหลือก็จะได้เป็นพระอนาคามีนอกจากนั้นได้ตรัสแสดงวิธีพิจารณาธรรมะเป็นคู่อย่างพิสดารพระสูตรที่39กามสูตรว่าด้วยกาม พันนาโทษของกามและสอนให้เว้นกามเหมือนวิทน้ำเรือรั่วพาเรือให้ถึงฝั่งได้พระสูตรที่สี่สิบคูหัดตกะสูตรว่าด้วยข้อเปรียบเทียบไม่ให้ติดอยู่ในถ้ำโดยใจความให้รู้ความจริงเรื่องกามมีความรู้เท่าไม่ติดไม่ยึดถือก็จะข้ามโอขะได้อันหนึ่ง คำว่าถ้ำนั้นหมายถึงร่างกายพระสูตรที่ส1เอ็ดทุตถกตะสูตรว่าด้วยไม่ให้ติดอยู่ในทิฏฐิอันชั่วแสดงว่ามุนีไม่ติดอยู่ในทิฏฐิความเห็นเพราะมีคุณธรรมจึงไม่ติดอัตตาหรือนิรัตตาคืออนัตตา พระสูตรที่ 42, สีสิบสองสุทธ ะ, ะกะสูตรว่าด้วยไม่ให้ติดอยู่ในความบริสุทธิ์ที่คนเข้าใจผิดว่าจะมีได้ด้วยการเห็นมีบางคนเข้าใจว่าความบริสุทธิ์จะมีได้เพราะได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พระผู้มีพระภาคตรัสสอนไม่ให้ติดในสิ่งที่ได้เห็นได้ฟังเป็นต้นพระสูตรที่43สาม ปรมัทธกะสูตรว่าด้วยไม่ให้ติดอยู่ในสิ่งที่ยอดเยี่ยมตามความเห็นผิดข้อสำคัญคือให้คลายทิฏฐิอย่ายึดถือในสิ่งใดๆพระสูตรที่สีสิบสเชราสูตรว่าด้วยความแก่แสดงว่าชีวิตน้อยในที่สุดก็จะต้องตายไม่ควรยึดถือคนที่เรารักตายไปแล้ว ก็ไม่ได้เห็นกันเปรียบเหมือนการฝันไปตื่นขึ้นก็ไม่เห็นพระสูตรที่ส5หติดสะมเมเตยสูตรว่าด้วยติดสะมเมเตยะมานกพระผู้มีพระภาคตรัสสอนเรื่องโทษของกามตรัสแนะนำให้ศึกษาความสงัดพระสูตรที่46 ปสูระสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อปสูระตรัสแสดงว่าผู้ที่ติดอยู่ในความเห็นหรือสัจจะเฉพาะอย่างย่อมโต้เถียงกันว่าความบริสุทธิ์มีเฉพาะในลัทธิของตนแล้วตรัสแสดงโทษของความติดในทิฏฐิพระสูตรที่47ิมาคันธิยสูตรว่าด้วยคันธิยะพราม ตรัสแสดงให้เห็นความน่าเกลียดของกายนี้อันเต็มไปด้วยของโสโครกและตรัสสอนให้ละมานะความถือตัวไม่ติดในกามไม่ยึดมั่นสัญญาคือความกำหนดหมายในใจและทิฏฐิความเห็นพระสูตรที่48ปูุราเพทสูตรว่าด้วยภายหลังความตายตรัสสอนให้ละตัณหา ไม่มีความยึดถือมีคำสอนไม่ให้ยึดอัตตาและนิรตตาหรืออนัตตาทั้งสองด้วยพระสูตรที่49การลหะวิวาทสูตรว่าด้วยการทะเละวิวาทตรัสแสดงเหตุแห่งการทะเละวิวาทแล้วตรัสสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาเป็นผู้หลุดพ้นไม่ทะเละวิวาทกับใคร พระสูตรที่ห้าสิบจุลวิยุหสูตรว่าด้วยการวิวาดกันเพราะทิฏฐิสูตรเล็กตรัสสอนให้เห็นว่าการติดความคิดเห็นเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันซึ่งควรจะแก้ไขพระสูตรที่ห้าสิบเอ็ดมหาวิยุหสูตรว่าด้วยการวิวาดกันเพราะทิฏฐิสูตรใหญ่ตรัสสอนผลร้ายของการวิวาดกัน และสอนไม่ให้ยึดถือพระสูตรที่ห้าบตูวาตกะสูตรว่าด้วยสันติบทคือทางแห่งความสงบพระผู้มีพระภาคแสดงทางแห่งความสงบและมีข้อความเรื่องไม่มีอัตตาและอนัตตาและคุณธรรมอื่นๆที่เป็นไปเพื่อไม่ยึดถือพระสูตรที่ห้าสิบสาม อัตถันทสูตรว่าด้วยโทษของตนตรัสสอนให้เห็นโทษของการทะเลาะวิวาทและให้ตั้งอยู่ในคุณความดีพระสูตรที่ห4สี่สาวรีปุตตสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรแสดงการโต้ตอบระหว่างพระผู้มีพระภาคกับพระสารีบุตรเรื่องคุณธรรมของภิกษุ ห้สบี่สูตรนี้คือวักที่หนึ่งถึงสี่ขึ้นวักที่ห้าซึ่งมีสิบหกสูตรในวักที่ห้านี้แสดงการถามปัญหาของมานพสิบหกคนซึ่งพาวรีพราหม์แต่งปัญหาให้สิทธิ์ของตนส6บคนไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเพื่อรู้ว่าจะเป็นผู้ตรัสรู้จริงหรือไม่สูตรทั้ง16จึงมีชื่อตามชื่อของมานบทั้งสิบหกซึ่งแต่ละสูตร แสดงคำถามและคำตอบเป็นคำฉันในที่นี้จะแสดงชื่อมานพทั้ง16นั้นอาชิตะติสเมเตยะปุณ น, นกะเมตะคูโทตกะอุปศีวะนันทะเฮมะกะโตเธยะกัปปะชตุกันนีพัทราวุฒะอุทยะโปสาละโมขราชะหรือโมขราช ปิงคียะหมายเหตุสาระสำคัญในสุตตานิบาตนี้ส่วนใหญ่แสดงคุณธรรมที่ให้หลุดพ้นจากทุกข์ให้ดับกิเลสเพื่อบรรลุนิพพานแม้คำถามคำตอบของมานพสบห6คนก็เป็นไปในเรื่องความหลุดพ้นแทบทั้งสิน้นจบพระไตรปิฎกเล่มที่25หขุตกะนิกาย